ความนี่แหละเนอจะเติบใหญ่จะโยนเราเข้าไปในอบายทั้งหลายแค่นี้อาจจะนั่งอยู่หรืออาจจะยืนอยู่นะเสร็จแล้วก็เห็นเนี่ยแหมมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเดินผ่านพอเห็นเสร็จแล้วก็โหเกิดจิตกําหนัดยินดีขึ้นมายังไม่ได้ไปทําอะไรใครเขาเลยนะ <c oughs> แค่เกิดอารมณ์จิตอย่างนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วก็เนี่ ย, ยปรุงไปฟุ้งไปไงปรุงไปฟุ้งไป พอปรุงบรรยากาศปรุงไ ป, ป, งไปทางอากุศลพวกนี้เท่านั้นเองแล้วก็ได้สติอา้าวตายแล้วว่ะปล่อยให้จีบปรุงบรรยากาศอย่างนี้ได้ยังไงได้สติใส่ก็โอ้โหละอายกับใจเลยที่แม่บอกว่าเนี่ยตายแล้วว่ะคืนปรุงอย่างเงี้ยเดี๋ยวกามก็ยิ่งเติบเติบใหญ่ใหญ่เลยการยิ่งเติบใหญ่ก็ไปเจออบายเท่านั้นเอง ทำให้บังเกิดความลังเกียบบาปว่าเราได้กระทำบาปไปแล้วอย่าได้กระทำบาปอีกเลยในชีวิตจึงได้อาศัยเหตุนี้เจริญวิปัสสนากระทั่งบรรลุ ป, ปัจเจกพุทธญาณออกบวชแล้วไปยังเลื่อมเขานันทาบุรกักะง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่ลำบากแค่ศีลข้อสาเท่านั้นเองนี่แค่เห็นแค่นี้เองอาตมาว่า ผู้ชายก็ตามหรือผู้หญิงก็ตามทุกวันเนี้โอ้โหเรื่องกามนี่ก็จัดจ้านใช่ไหมอย่าว่าแต่เห็นเลยเดี๋ยวนี้มันมีทั้งวิดีโอมีทั้งหนังมีทั้งหนังือพิมพ์มีทั้งอะไรโอ้เห็นเยอะแยะไปหมดเลยป้ายรถเมยังมีให้ดูเลยพอดีใช่ไหมตามป้ายรถเมย์โมโ ป, ปมัง่งบอบแวมแหวมั่งอะไรมัง่งโอ้โหโ อ, โอกาสที่จะงไงปรุงกามนี่เยอะแยะมากมายเลย คราวนี้นะยิ่งพอมาถึงเรื่องนี้เรื่องศีลข้อสไปดูสิทุกวันเนี่ยคนในโลกโลกไปไงโอ้เขายินดีพอใจมากเลยใช่ไหมโอ้ได้ปรุงเนี่ยเขายิ่งรู้สึกว่ามีความสุขมีความสนุกกัดมันไปน่นจะไม่รู้สึกลอายเห็นไหม น, นี่คือสภาวะของความแตกต่างแต่ถ้าคนถือสีปฏิบัติธรรมแล้วละอาย เพราะนั้นถ้าคนถือศีลปฏิบัติทมเนี่ยโอจะไปให้แต่งตัวหรือว่าไปแต่งหน้าทาปากไปอะไรที่มันดูแล้วไปยั่วอารมณ์ไปยั่วกลามไปอะไรใครเขาอายไม่กล้าทําอันนี้คือบุญบา ร, รมีนะคนที่มีบุญบา ร, รมีอย่างเงี้ยจะไม่กล้าทําเพราะละอายเกรงกลัวต่อบาปกลัวบาปมันจะมากินหัวเอาเพราะฉะนั้นแล้วไม่กล้าทํา แต่ใครที่ยังกิเลสหนาอยู่เนี่ยกิเลสโอ้โหกี่ชั้นก็ไม่รู้เจ็ดชั้นหรือเปล่านะถ้าหนาหนามากอะหมูนี่เขามีแค่กี่ชั้นสามชั้นใช่ไหมหมูอะใช่ปะเออแต่คนทุกวันนี้อาจจะมาว่ามันเจ็ดชั้น <c oughs> มันไม่ใช่หมูสามชั้นแล้วนะคือโอ้โหเรื่องของกามเรื่องของไอความราคาเรื่องความไข่ยอยากรอรายพวกนี้จัดจ้านมาก หนังส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเนี่ร้อยเรื่องเนี่ยทำมามาตรวจสอบเลยนะรับรองเลยกรามอยู่อยนั้นนะกรามที่น่าเกลียดด้วยนะไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบหนังสมัยก่อนโอ้โหเดีย๋ยวนี้มันกล้าโป๊ๆเปลยเปลยกล้าอะไรตร่ออะไรเยอะแ ย, ยะไปหมดอะร้อยเรื่องเนี่ยไม่รู้จะเหลือสักเรื่องสองเรื่องไหมเนี่ยที่จะรอดพนมาได้เพราะส่วนใหญ่เลยเนี่ยเก้าสิบกว่าเรื่องเนี่ยมีทั้งนั้นน่ะ เพราะจะให้เห็นถึงความหนาจนกระทั่งเห็นไหมล่ะผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามทุกวันนี้โอ้โหแต่งเนื้อแต่งตัวยิ่งผู้หญิงนี่ปใหญ่เลยสายเดียวหรือไม่มีสายก็แล้วแต่แล้ว เ, เ, เขาเรียกอะไรไรสายอะเขาเรียกอะไรเกาะอกเออเขาเรียกเกาะอกปโน้นเลยปลาไกลมากนะอะไรนะ ไลฟ์มแดนไรฟสายนี่ไรฟ์มแดนไร้ผมแดนจริงๆเพราะอะไรเพราะมันมีเว็บใช่ไหมมันมีเว็บมันมีไอ้คอมมีอะไรโอ้โหคุณอยู่มุมไหนของโลกอ่ะแต่เนี้ยมันเล่นคอมเนี่มันเรียกมาได้หมดเลยอ่ะใช่ไหมแล้วก็โป๊ะโป๊ะก็อะไรต่ออะไรนี่เต็มไปหมดเลยในนั้นเพราะฉนั้นมันไลฟสายมันไลฟ์มแดนมันไลฟขอบเขตมากความความละอายเนี่ยแทบจะ เรียกว่าความละอายเนี่ยนะแทบจะด้านไปหมดเลยแทบจะหาไม่เจอเพราะเดี๋ยวนี้คนจำนวนน้อยมากที่จะมีสีแล้วก็เข้าใจเรื่องของธรรมะจนกระทั่งละอายจะไปให้แต่งเสื้อใส่สีสันใช่ไหมแหมต้องไปรัดรูปต้องไปอะไรอวดสวดทรงองค์เอวแรงต่างนี่ไม่กล้าทำแต่ทุกวันนี้มั น, มน อะไรอ่ะมันหนักข้อไปเรื่อยๆอัตมาก็ไม่ค่อยแต่ไปตามแฟชั่นเทอะแล้วก็เลยก็เลยไม่รู้จะไปเรียกไงนะแต่พูดพูดยังไงว่าทุกวันนี้โอ้หนักข้อจริงๆนะทั้งประกวดเห็นไหมาดูนะเดี๋ยวเนี้ยประกวดอะไรแต่ประกวดอะไรเนี่ยเยอะแยะมากเลยประกวดแบบล่อ ก, กามเนี่ยนะเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นเป็นความแตกต่างมากเลยนะนี่ยิ่งระดับพระปะเจกับพุทธเจ้าถึงบอกว่า ท่านเพียงแค่คิดขึ้นมาเท่านั้นเองดูก็ยังเอ อ, อะไรอะ่ะไปไปแบบว่าไปดูเลยตามโรงหนังโรงละครหรือไปดูหนังสือโป๊โปอร์ะอะไรยังไม่จะไปดูเลยแล้วที่เห็นสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยนะเขาก็แต่งตัวตามธรรมดาที่ปกปิดเรียบร้อยไม่ได้ไปโป๊ ะ, ป ะ, ปะอะไรเลยนะเพียงแต่ว่าโอ้โหเห็นผู้หญิงคนนี้สวยมากเกิดจิตปฏิพัทธ์ไอ้เกิดจิต กำหนัดชอบพออะไรขึ้นมาอย่างนี้แค่แค่นี้เท่านั้นเองนะโอ้โหท่านยังรู้สึกละอายหนักเลยจนเห็นเป็นโทษภัยแล้วก็พิจารณาที่จะไม่ให้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาอีกนานจนกระทั่งเนี่ยบรรลุบรบรลุธรรมได้อ่าเสร็จแล้วนี้พระประเจกับพระเจ้าองค์ที่สี่ก็เล่าให้ฟังว่ามหาปพิธอัตมาภาพเคยเป็นชาวบ้านในแคว้นกาสี คราวหนึ่งเดินทางไปกับปิดาผ่านป่าแห่งหนึ่งได้ถูกพวกโจรป่าจับตัวเอาไว้โจรซักถามเราว่ารู้จักชายแก่คนนี้หรือไม่เพราะกลัวว่าโจรจะจับปิดาเอาไว้เรียกค่าถา่เราแม่รู้อยู่ก็แกล้งยืนยันหนักแน่นตอบเท็จไปว่าไม่รู้จักกันเลยบังเอิญได้เดินทางผ่านป่า น, นี้ร่วมกันเท่านั้นคือโกหก จริงๆแล้วเป็นพ่อลูกกันใช่ไหมแต่โกหกว่าคือเขาถามวันนี้เนี่ยชายแก่คนนี้เป็นอะไรกับท่านเป็นไรกับแกพูดง่ายใช่ไหมปรากฏว่าอุ้ยไม่รู้ไม่รู้มันต่างคนต่างบังเอิญเดินทางมาด้วยกันไม่จะเป็นอะไรกันกลัวกลัวว่าคือถ้าสมมุติว่ารู้ว่ารู้ว่าเป็นพ่อลูกเนี่ยอาจจะจับพ่อไว้หรืออาจจะจับลูกเอาไว้ก็ได้แล้วให้คนหนึงกลับไป ไปเอาเงินข้าถ่ายมาเพกลัวลักษณะนี้กลัวอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยไม่กล้าบอกความจริงก็เลยต้องโกหกถามหน่อยเถอะถ้าในความรู้สึกเราอะเรารู้สึกว่าอย่างนี้ถือว่าโกหกไหมถ้าในความรู้สึกเราอะเนี่ยโจรมาจับเอาไว้อย่างนี้เสร็จแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวโจรเอาไปเรียกข้าถ่ายนะแล้วเอาแน่ถ้ารู้ว่าเป็นพ่อลูกนี่เอาแน่เพราะนั้นก็เลยโกหก เพื่อที่จะได้ไม่ต้องโดนจับตัวไว้อย่างเงี้ยโกหกอย่างเงี้ยถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าโกหกสีขาวถ้าเป็นเดี๋ยวนี้นะพราะไม่จะไปโกหกเพื่อเจตนาไปเบียดเบียนหรือทําร้ายอะไรใครใช่ไหมโกหกเพื่อที่จะเอาตัวรอดแล้วก็ไม่พวกโจรมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วอืมถ้าเป็นเดี๋ยวเนี้ยต้องบอกว่าอย่างเงี้ยโกหกสีขาวเลยสำนวนเดี๋ยวนี้เขาใช้อย่างเงี้ย แต่สำหรับพระปเจกับพระพุทเจ้าแล้วแม้อย่างนี้ท่านถือว่าท่านก็โกหกแม้อย่างนี้ท่านไม่ถือว่าท่านไม่โกหกนะรับรองเลยถ้ายิ่งพูดเรื่องนี้นะโอ้โหพวกเราในที่นี้เนี่ยไม่รู้จะเรียกว่ า, ากโกอะไรโกซิกนะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโกหกดับเบิลโกหกยังไงก็ไม่รู้เพราะว่า หลายครั้งเลยที่บางทีแล้วเราก็เร า, เราคิดว่าเจตนาดีอะ่ะใช่ไหมเราเราคิดว่าเจตนาดีแล้วก็เออพูดไปพูดไปพูดไปจนกระทั่งบางคนนี่ชักติดเลยนะจนบางครั้งเนี่ยไม่ได้เจตนาดีอะไรหรอกเอาตัวรอดเอาตัวรอดแบบชนิดที่เรียกว่าไม่สู้จะดีนักหรอกเออก็คือว่ากลายเป็นโกหกจริงๆอะ่ะแต่ตัวเองเนี่ยก็คิดว่าเอ้ย เราเจตนาดีว่าเราก็เลยโกหกไปอย่างนั้นคือรู้สึกไปเป็นอย่างนั้นเลย ท, ทังด้านดิความเป็นจริงเนี่ยการโกรหกมันไม่ดีแน่นอนไม่สมควรจะมีไม่สมควรจะมีเลยการโกรหกสมัยก่อนเนี่ยถ้าโบราณมาถ้าใครศึกษามานะคนสมัยก่อนโบราณมาเลยเนี่ยเขาเขาโกหกกัไม่เป็นเขาโกหกไม่เป็นนะ คนเนี่ยยิ่งยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งมีกิเลสมากขึ้นนั่นแหละการโกหกถึงเกิดขึ้นตามมาแต่ตอนแรกๆเนี่ยคนเราเนี่ยไว้ใจกันได้เลยพูดคําไหนคํานั้นไปทําอะไรมาอย่างไงก็ตอบอย่างนั้นไม่มีมาเบี้ยวเบี้ยวเบียงเบียงโกหกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีแต่คนทุกวันนี้เนี่ยพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกคิดว่าจะเชื่อใจมันดีไหม ม, นนมันพูดมาเนี่ยโอ้โหเพราะ เชื่อยากคนทุกวันนี้ถึงหวาดระแวงหวาดระแวงกันมากเลยไม่ค่อยมีความสุขครับเพราะว่าต้องคอยหวาดระแวงว่าว่าเอ๊ะพูดจริงหรือเปล่าพูดจริงหรือเปล่าเชื่อกันแทบไม่ไหวเลยเพราะนั้นจริงๆเนะี่ยความหวาดระแวงไม่น่าจะมีถ้านักปฏิบัติธรรมไม่ควรมีความหวาดระแวงแต่ควรมีความระมัดระวังควรมีความระมัดระวังแต่ไม่ใช่ ไปอยู่ระแวงจิตระแวงนี่มันเป็นความกลัวอย่างหนึ่งมันเป็นความมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะความระแวงแต่ความระมัดระวังนี่คือคําว่าสํารวมสํารวมนี่คือความระมัดระวังอาจจะต่างจากระแวงถ้าระแวงนี่เป็นกิเลสแต่ถ้าสํารวมเนี่ยระวังเอาไว้นี่ไม่ใช่กิเลสมันจะต้องจะต้องเข้าใจสภาวะอันนี้ นะตอนนี้ปรปากฏว่าพอพระประเจกับพุทธเจ้าองค์ที่สี่นี่ใช่ไหมก็โกหกไปแล้วพูดง่ายโจรยึงยอมปล่อยทั้งคู่ออกพ้นป่าไปเมื่อปลอดภัยแล้วเราบังเกิดความรู้สึกรังเกียจการกล่าวเท็จว่าเราได้ทำบาปนั้นแล้วจงอย่าได้กระทำบาปนั้นอีกเลยเพราะการมักพูดโกหกจะนำเข้าสู่อบายคือถ้าลองโกหกสีขาวก็เหอะ โกหกไโกหกไปโกหกไ ป, ไปแล้ววนหลังคนเขาจะเชื่อไหมคุณเขาก็ไม่เชื่อต่อให้คุณโกหกสีขาวยังไงอ่ะแล้วมันชักจะแยกยังไงอ่ะว่าขาวนี่มันสีขาวหรือสีดําไม่ใช่คุณพูดมาทีนี่แหม่ถ้าโกหกสีขาวมันก็เป็นไอสีขาวออกมาจะเมื่อไหร่อ่ะพอโกหกสีดำมาไอสีดําออกมาเหมือนไอควันท้ายรถจะเมื่อไหร่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ใช่ไหมมันไม่มีสีสันอะไรให้คุณแยกได้อ่ะ เพราะพอโกโหกออกมาเขาก็เออเรามันยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นอีกหน่อยคนก็ระแวงกันหมดอัตมาทึงบอกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ควรมีการโกหกสีขาวสีอะไรก็ช่างเถอะหรือจะสีเทาก็แล้วแต่ก็ไม่ควรเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นี่ไม่ควรโกหกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระปเจกับผู้เจ้าพระ อ, องค์นี้ท่านก็เลยแบบรู้สึกละอายเราได้ทําบาปนั้นแล้ว จงยาได้กระทำบาปนั้นอีกเลยเพราะการมักพูดโกหกจะนำเข้าสู่อาบายเราจะต้องข่มกิเลสนี้ให้ได้จึงจเจริญวิปัสสนากระทำปัจเจกับพุทธยานให้เกิดขึ้นออกบวชอยู่ที่เงื้อมเขานันทะบูรกะแล้วนางกระปรากฏว่าอ้าวได้บรรลุไปอีกพระองค์หนึ่งแล้วสุดท้ายพระปัจเจกับพุทธเจ้าองค์ที่หได้บอกถึงต้นเหตุของการออกบวชว่า มหาบาพิตรในการก่อนอัตมาภาพดูแลหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นกาสีได้ห้ามการซื้อขายของบุญเมาเอาไว้อย่างกวดขันคือเว้ยง่ายรู้แล้วว่าไม่ดีใช่ไหมเพราะยังก็เข้มงวดกวดขันไม่ให้มีการขายพวกของบุญเมาให้โทษอะไรต่างแต่เมื่อหน้าเทศการจัดงานมาถึงชาวบ้านทั้งหลายพากันมาถามว่านี่ก็เป็นเวลาแห่งเทศกาลงานฉลองแล้ว ปกติจะมีสุราดื่มกันในวันที่มีมหรสพบแต่ท่านได้ห้ามเอาไว้ฉะนั้นตอนนี้จะให้พวกกับผมรื่นเริงฉลองกันให้คลกคลื้นได้อย่างไรเล่าพูดง่ายว่าล้วฉลองอะไรงไงมันไม่ได้กินเหล้าเมายาอะไรพวกนี้ไม่สนุก อ, ะอ่ะเราจึงกล่าวอนุญาตว่าพวกท่านจงฉลองเทศกาลกันตามที่เคยทามาเก่าก่อนเถิด ชาวบ้านเหล่านั้นซึ่งนิยมชมชอบอยู่แล้วว่าสุราและเมลัยเป็นดุลน้ําหวานคือ ค, อคอพวกขอเล่าเนี่ยพวกที่ชอบกินเหล้าเมายาพวกนี้เพราะฉะนั้นน่ยชอบอยู่แล้วสิพออนุญาตแบบนี้ก็ทันทีเลยนะทั้งสุราแล้วก็ทั้งเมลยัยสุรานี่ก็คื อ, อที่กลั่นเอามาคือน้ําเหล้าที่กั่นเอามาถ้าเมลัยนี่ก็น้ำเหล้าที่หมักมา ที่ดองมาที่หมักม า, าจะต่างกันที่ตรงนี้แต่ทั้งสองอย่างเมาเหมือนกันนะเป็นดุลน้ําหวานจึงพากันดื่มน้ําเมาทั่วหมู่บ้านเมื่อเมาแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันตบตีชกต่อยกันตายบ้างเจ็บบ้างถูกจองจําปรับสินไหมเป็นจํานวนมากทําให้เราสลดใจยิ่งนักเพราะเรายอมอนุญาต ให้พวกเขาดื่มน้ำเมานี่เองได้ก่อความผิบพายแก่มูชนเป็นอันมากคือคืออนุญาตไปแล้วอะไม่ได้ไม่ทันคิดอะไรมากมายก็เออเขาอยากจะสนุกกันกอ็อนุญาตให้สนุกแต่ปรากฏว่ามันเลยเถิดราสิคนนี้ใช่ไหมโอ้โหบาดเจ็บล้มตายกันเยอะแยะก็เลยชักมาเศร้าใจละแล้วก็เห็นว่าเนี่ยถ้าไม่อนุญาตก็ไม่เกิดเหตุพวกนี้เพราะถือว่าเป็นความผิดของตัวเองที่อนุญาต จึงรังเกียจบาปของตนว่าเราได้กระทำบาปกรรมนั้นไว้แล้วอย่าได้ทำบาปกรรมนั้นอีกเลยจึงได้อาศัยเหตุ น, นั้นเจริญวิปัสสนากระทั่งสามารถบรรลุปัจเจกพุทธญาณได้แล้วออกบวชอยู่ที่เงื้อมเขานันทะมูลกะนั่นเองไม่รู้เขานี่ดีอะไรนะมีอะไรดีไม่รู้นันทะมูลกะปรากฏว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่และพระองค์นี่ไปอยู่ที่นันมนเลย ก็คงต้องมีอะไรดีๆนะถึงได้ไปรวมที่สถานที่นี้พระเจ้ากุระราสีทรงรับฟังสาเหตุที่พระปเจกับพุทธเจ้าทั้งห้าออกบวชแล้วทรงมีจิตเลื่อมใสเคารพอย่างยิ่งได้ถวายผ้าจีวรและเพศสัตว์อย่างดีเลิศแล้วจึงส่งพระปเจกับพุทธเจ้าทั้งหมดเสด็จกลับไปนับตั้งแต่วันนั้นมา พระราชาทรงมีจิตน้อมไปในธรรมทรงเบื่อหน่ายไม่ยินดีในการบังคุณทั้งหลายมิได้ทรงทอดพระเนตรเหล่าสตรีทั้งปวงมิได้ทรงเรียกร้องเสวยพระกยาหารสรสเริศต่างๆคือโอ้โประทับใจมากน่าได้ฟังธรรมได้ฟังพระประเจกับพระเจ้าท่านเล่าเรื่องให้ฟังจริงๆเนี่ยเล่าเรื่องให้ฟังนี่เท่ากับว่าอะไระ เล่าเาอย่างนี้ให้ฟังอนะ่ะจะว่าไปก็เหมือนกับเทศแล้วจริงไหมก็เหมือนกับสอนแล้วแหละเพรา ะ, ะนั้นถึงบอกว่าจะสอนใครไม่ได้ได้ไดยังไงใช่ไหมระดับพระปัเจกับพระเจ้าแล้วสอนคนได้แน่นอนอย่างอน้อยก็สอนพระราชาพระ อ, องค์นี้แล้วล่ะโอ้พระราชานี่ก็เลยแบบประทับใจมากเลยแล้วก็เนี่ยเกิดปิติในธรรมมาคุยง่ายว่ามาอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็อะไรอ่ะมา ล, ลดละเลย มาลดลกรามากุณต่างๆกรรมากุณห้าอะไรบ้างารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรต่างก็มาลดละเลยนะเนี่ยคราวนี้ผู้หญิงผู้หญิงอะไรก็ อ, อะไรนะ่สนมกำนันอะไรต่างๆก็ชักไม่สนใจแล้วไม่ไม่มองหาล้แม้แต่ภรกระาหารนะบางทีโ อ, อ้เจ้าต้องกินอะ้อร่อยจะต้องกินไอ้นี่อร่อยคราวนี้ อะไรมาก็กินเสวยโดยที่ไม่ต้องไปเลือกแหม่ต้องไอ้นูน่นต้องไอ้นั่นแล้วนี่พูดง่ายว่าอะไรอ่ะเข้าเข้าสภาวะแล้วตอนนี้นะมักประทับอยู่ในห้องกระทําฌานให้บังเกิดขึ้นนะพูดง่ายว่าคราวนี้ไม่ไปเสียเวลาแต่เตหรือว่าไปกิฟฟุงซ่านอะไรที่ไหนมีเวลามีโอกาสก็มาฝึกกระทําฌานฌาน ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสาชั้นีชนก็คืออะไรมาวิตกวิจารณชั้นหนึ่งอ่ะมาวิตกวิจารพิจารณาใช่แล้วก็เนี่ยเห็นกิเลสรู้กิเลสแล้วก็จะดับกิเลสได้ยังไงเนี่ยแล้วพิจารณาไปเพราะนั้นก็ได้ชาญนก็ได้สภาวะสงบจากกิเลสอันประนีตนั้นก็บังเกิดขึ้นบางครั้งก็ทรงติเตียนกรรมทั้งหลายว่า น้าติเตียนแท้การทําหลายมักมีกลิ่นเหม็นมีเสี้ยนหนามมากหากเราเสพอยู่ย่อมได้รับความทุกข์เนี่ยบางครั้งก็พูดให้อมมาต์พูดให้ใครต่อใครฟังเพราะว่าชักชักไอ้นั่นแล้วเนใช่ไหมชักเข้ากระแสแล้วเพราะบางทีมีปิติมีสุขในการได้ฌานในการลดกิเลสได้เนี่เพราะฉะนั้นก็เลยติเตียนเลยนะบอกเนี่ยการทั้งหลายมีกลิ่นเหม็น กลิ่นเหม็นไหมรวมไปทั้งอะไรอ่าหมายถึงว่าไม่สะอาดเนี่ยสกรปรกมีกลิ่นเหม็นหน้ารังเกียจนี่นีนี่คือคุณสมบัติของกามตรงข้ามกับคนโรคๆเลยคนโลกๆเนี่ยโอ้ว่ากามนี่จะต้องอะไรจะต้องหอมหวานแมมอะไรนะโรแมนติกคลาสสิกเลือเกิ น, นกเขาก็ว่าไปโน่นน่ะแต่ตรงข้ามเลยถ้า ถือศีลปฏิบัติธรรมมาจะรู้เลยโอ้พระเจ้าท่านว่าหนักกว่า น, นี้อีกจริงๆเ่ยถ้าใครไปฟังนูน่นกุณาราชาดกอยากจะอ้วกเลยล่ะ <c oughs> ถ้าไปฟังอ่ะโอ้โ oh หว่าหนักกว่า น, นี้อีกหลายเท่านี่นีพระราชาพระองค์นี้นี่แค่พูดแค่นี้เองนะว่าเนี่ยเม้นสกปรกมีเสี้ยนหนามมากหมายถึงว่าอะไรมีทั้งเสี้ยนมีทั้งหนามเนี่ยมากเลยคืออะไร มันตำเอามันแทงเอาเจ็บปวดอยู่เรื่อยอะ่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเนี่ยถ้าหากใครไปยุ่งกับของโสกรปรกใครไปยุ่งกับไอ้ไอ้หนาอะไรที่ทำให้เจ็บพวกนี้เนี่ยหากเสพเข้าไปย่อมได้รับความทุกข์นี่พระราชาบอกให้คนอื่นๆฟังเลยพอดีพระอัครมเหสีเสด็จมาได้ยินเข้าทรงตกพระทัยยิ่งนักรีบทุลแก้ว่า ดูนะพระมเหสีจะกล่าวแก่ยังไงกามทั้งหลายมีความน่าพอใจมากสุขอื่นยิ่งกว่ากามไม่มีผู้ใดได้เสพกามทั้งหลายแล้วผู้นั้นย่อมเข้าถึงสวรรค์ <c oughs> นี่แสดงว่าพระมเหสียังเป็นยังไงยังโลกโลกมากเลยนะยังไม่เข้าใจเรื่องของธรรมะยังติดอยู่ติดอยู่ในกามหยาบๆยาบดำดอยู่ พระราชาทรงสดับคำนั้นแล้วทรงบังเกิดความปรารถนาจะถอนทิฏฐิของพระอัครมเหสีเสียจึงทรงแสดงโทษของกามแก่พนางว่ากามทั้งหลายมีความน่าพอใจน้อยทุกอื่นยิ่งกว่ากามไม่มีผู้ใดได้เสพกามทั้งหลายผู้น้าผู้นั้นย่อมเข้าถึงนรก <c oughs> นี่พระราชาคราวนี้เลยยิ่งตรัสเปียงๆ เ, เลย ราะว่าใครเนี่ยแหละยิ่งไปยุ่งเกี่ยวกามพวกนี้แหละนะจะยิ่งเข้าถึงนรกกันไม่ใช่ไม่ใช่สวรรค์หรอกน ะ, ะเสร็จแล้วครี่สามดวนนี้พวกเราจะได้ยินกันบ่อยนี่อยู่ในชาดกเรื่องนี้นี่เองนะบอกว่าเนี่ยใ ค, ใครไปเสกกรรมลราจะเหมือนเข้าในในรกเหมือนโดนดาบที่รับคมแล้วเชือดเหมือนโดนกระบี่ที่ขัดดีแล้วแทง เหมือนโดนหอกที่พุ่งปัก อ, อกการทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นนี่สำนวนนี้ใครจะยินบ้างใครจะต้องจะยินบ่อยเลยเพราะปันเตชาตะท่านเสียงศีล <c oughs> ท่านเอาไปอ่านเงี้ยในเสียงปลุกเสียงอะไรพวกเนี้เสียงปลงอะไรพวกนี้นั่นแหละนะฟังดูให้ดีนะอันนี้เปรียบเหมือนกับความเจ็บปวดเงี้ยบอกมันไม่ได้สุขอะไรหรอกมันนรกแท้ๆเลยพระราชานี่บอก บอกมันนรกยังไงมันนรกเนี่ยใครไปเสพการามเนี่ยเหมือนกับโดนดาบเนี่ยนะที่เขารับไปสคมกิดเนี่ยเชือดเอาเชือดเอาน ะ, ะหรือเหมือนกับว่าเขามีกระบี่ที่ขัดดีแล้วหมายถึงว่าเขารับมาอย่างคมก็ิบดีแล้วเนี่ยแทงเอาอย่างเงี้ยโอโ้โหนะหรื อ, เ ห, อเหมือนโดนหอกปักเข้าที่อกใช่มมันจะเจ็บปวดบันทรมานเหมือนหลุมฐานเพลิงร้อนที่ลุกพรง ลึกกว่าตัวบุรุษเหมือนผานที่เขาเผาร้อนอยู่ตลอดวันแามทั้งหลายเป็นทุกขยิ่งกว่านั้นนะเปรียบเนี่ยเหมือนกับแหมมีหลุมเพลิงนะอันนี้เปรียบเหมือนกับความเล่าร้อนใครใครไปเสพแกมเนี่ยก็โหมีแต่ความเร่าร้อนเท่านั้นนะแต่อันนี้บอกว่ายิ่งกว่านั้นอีกนะแกมเนี่ยเป็นทุกยิ่งกว่าไอ้ที่เปรียบมาอีกไม่ใช่ไม่ใช่เท่านั้นแต่ยิ่งกว่านั้นทุกยิ่งกว่า เหมือนยาพิษชนิดร้ายแรงเหมือนน้ำมันที่เดือดแพร่เหมือนทองแดงที่กำลังละลายคว้างการทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นไอ้ที่เปียกๆมาเนี่ยยังน้อยไปนะใครไปเสพกามใครไปยุ่งกับกามเนี่ยอันสุดท้ายนี่อันแรกเนี่ยเปียบเหมือนกับความเจ็บปวดนะที่โดนดาบโดยะอะไรต่างอันที่สองเปียบกว่าลุ้นทางเพลเนี่ยโหความเล่าร้อน นะอันที่สามเนี่ยเปรียบเหมือนกับยาพิษเหมือนกับทองแดงละลายคว้างเนี่ยเปรียบเหมือนกับการทําลายเนี่ยใครไปยุ่งกับกามเนี่เป็นเรื่องทําลายตัดกับพระอครมเหสีแล้วทรงรับสั่งให้พวกอมบาดมาประชุมกันแล้วทรงประกาศว่าดูก่อนอมบาดผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เราได้เห็นทุกในการบริโภคการมาสมบัติทั้งปวงแล้วเราขอสละราชสมบัติ เพื่อออกบวชพวกท่านจงหาผู้ครองราชสืบต่อไปเถิดแม้มหาชนทั้งหมดจะพากันร้องไห้คร่ำครวญอยู่พระเจ้ากรุงพรรณนาสีก็ไม่ได้วันไหวสเสด็จไปสู่ป่าหิ ม, มพานต์ผนวดเป็นฤาษีมีพรมโรคแหมขออภัยกระดกลิ้นมีพร ม, โ, มโรคเป็นที่ไปในที่สุดนะมีโรคของพรมนั่นเอง พระศาสดาทรงสแสดงชาดดนั้นจบแล้วตรัสว่าพระปจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นได้ปรินิพพานไปแล้วส่วนพระอัครมเหสีในครั้งนั้นได้มาเป็นพระนางพิมพาในบัดนี้พระเจ้ากรุงพราณสีนั้นได้มาเป็นเราตถาคตแล้วทรงย้ำเตือนภิกษุทั้งห้าอยรูปนั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสที่เป็นของเล็กน้อยนั้นไม่มีเลยดูนะ พูดง่ายว่าสํารวณเนี่ยว่ากิเลสที่เป็นของเล็กน้อยนั้นไม่มีเลยเท่ากับหมายความว่าที่ใครบอกว่าเอ้นี่กิเลสนิดหน่อยอ่ะอย่ามาพูดไม่มีคําว่ากิเลสนิดหน่อยกิเลสทุกตัวจะใหญ่จะกลางจะเล็กทุกตัวทําร้ายเราได้ทั้งสิน้นจะใหญ่กลางเล็กก็ตามเพราะฉนั้นอย่าบอกว่าบอกว่าเนี่ยชื่อว่ากิเลสเป็นของเล็กน้อยนั้นไม่มีถึงจะมีข้วนี้ถึงจะมีประมาณน้อย คือคือชอบบอกว่าไอ้นี่มันแค่นิดหน่อยบัณฑิตทั้งหลายก็พากันข่มกิเลนนั่นเสียได้ทั้งนั้นคือเราบอกว่ามันเล็กน้อยใช่ไหมถ้าบอกว่าเล็กน้อยจัดการไปเลยสิทำไมจะต้องปล่อยมันไปใช่ไหมเนี่ยท่านดักไว้เลยตอนต้นท่านบอกว่าไม่มีทั้งนั้นน่ะเล็กน้อยนี่ไม่มีใหญ่หมดพูดง่ายเพรจะต้องจะต้องอย่าปล่อยไปแต่ถ้าใครบอกว่าเล็กน้อย ก็ถ้าบอกว่าเล็กน้อยปล่อยไปทําไมอะ่ะจัดการเลยสิก็ได้เมื่อมันเล็กน้อยใช่ไหมมันก็น่าจะจัดการง่ายสิใช่ไหมเล็กน้อยอะ่ะจากนั้นทรงประกาศสัจจะทั้งหลายเมื่อจบสัจจะนั้นภิกษุทั้งห้าร้อยรูปก็ได้ดํารงอยู่ในพระอารหัตผลแล้วโอ้โหทั้งห้าร้อยรูปเลยนะ บ, บรรลุธรรมเลยเพราะเรื่องนี้เนี่ยอยากจะฝากแง่คิดในประเด็นที่เรียวกว่า หนึ่งก็คืออย่าเห็นว่ากิเลสตัวเล็กตัวน้อยไม่สําคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเอ้ยไอ้นี่ตัวเล็กตัวน้อยนะต้องให้ความสําคัญกับมันว่าว่าต้องจัดการอย่าปล่อยผ่านไปจัดการเลยนี่ตัวจะเข้าผ่านซายอีกแล้วไปสํารวจดูกิเลสไหนที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยอ่ะที่ชอบคิดว่าตัวเล็กตัวน้อยอ่ะแล้วมันน่าจะจัดการไปได้ตั้งหลายปีหลายเดือนหลาย ชาติมาแล้วอะ่ะแต่ปล่อยมามาอยู่เรื่อยเลยอะ่ะตัวไหนที่ชอบบอกว่าเล็กน้อยเล็กน้อยเพราะฉนั้นตัวเหล่านั้นน่ะนัน่าจะจัดการได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปที่เรียกว่าอ้าวก็มันง่ายอยู่แล้วใช่ไหมอะไรนะเขาบอกเขีย่ยเบาๆก็กระเด็นมันเขีย่ยไปเลยทําไมไม่เขีย่ยสักทีทอะ่ะเขีย่ยไปเลยรู้ไหมพอลงพอลงมือลงไม้เนี่ยนะเขีย่ยจริงๆแล้ว ไอ้ที่บอกว่าเล็กน้อยนะ่ะเดี๋ยวจะเห็นเองเดี๋ยวจะเห็นเองว่ามันไม่น้อยดังว่ามันไม่เล็กดังว่าล่ะสิว่าพอทําแล้วเนี่ยมันถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วเป็นความประมาทเป็นความเผลอของเราเป็นความที่เราบางทีโดนกิเลสมันหลอกเอาไม่รู้ตัวคือกิเลสนะมันใหญ่แต่มันแกล้งหลอกเราว่าเฮ้ยเล็กน้อยนะ่ะเล็กน้อยนะ่ะเพื่อที่ให้เราเนี่ยปล่อยให้มันดําเนินกิจการได้ต่อไป เพราะนั้นแล้วอย่าปล่อยถ้าทําได้จัดการเลยดียิ่งจะเข้าบรรษาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปตรวจสอบดูเลยตัวไหนที่เนี่ยเป็นเสี้ยนหนามเนี่ยเอ้ยเสี้ยนเล็กๆเสี้ยนน้อยๆเอา้าเอาออกได้ก็ อ, ออกเลยสิคุณอย่านึกว่าเสี้ยนเล็กๆแล้วไม่เจ็บนะเจ็บเหมือนกันลองปากเข้าไปแล้วก็เจ็บเหมือนกันอา้าววันนี้คงฝากไว้เท่านี้